ชาปุณินี้ต้องเป็นผู้ที่ฉลาดในการทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมถ้าหากว่าทําแต่ประโยชน์ตนแต่ว่าไม่ใส่ใจทําประโยชน์ท่านมันก็ไม่ถูกหรือว่าทําแต่ประโยชน์ท่านแต่ประโยชน์ตนละเลย อันนั้นก็ไม่ฉลาดนะต้องพยายามทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองส่วนถ้าจากพุทธทาท่านก็พูดสรุปไว้ดีสั้นๆว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นดันนี้ก็หมายถึงสงบภายในมีความสุข ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนงั้นเมื่อสงบเย็นแล้วก็อย่าลืมปอนเพนประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยปอนเพนประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อมนุษยชาตินะต่อโลกทั้งโลกต้องมีสองส่วนสงบเย็นนี่มันเป็นเรื่องของความลุ่มลึกในจิตใจส่วน การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะั้นมันเป็นเรื่องของการแผ่ขยายนะาความดีให้กว้างขวางออกไปนะธรรมะนี่มีสองระดับนะระดับที่ลึกกับระดับที่กว้างระดับที่ลึกนี่ก็เน้นเรื่องการทำให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ให้พบกับความสงบร่มเย็น อันนี้เป็นเรื่องของความลึกนะธรรมะในพุทธศาสนานจะมีความลึกตรงนี้ลึกถึงขั้นที่เรียกว่าเอาตัวตนที่มันออกมาลึกจนทั้งเห็นถึงความเป็นมายาของตัวตนแล้วก็หลุดพ้นจากให้ความยุติดในตัวตนนี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่คนไม่สามารถจะมองลึก ไปถึงนั้นได้แต่ลึกอย่างเดียวไม่พอต้องกว้างด้วยนะก็คือว่ า, าช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างของผู้ที่บำเพ็ญทั้งสองส่วนนี้และพระอาหารหันต์ทั้งหลายลก็ถึงพร้อมทั้งสองส่วนสงบเย็นและเป็นประโยชน์มีชีวิตด้านไหนที่ลุ่มลึก แล้วขณะเดียวกันก็มีจิตที่แพกกว้างนะไม่มีประมาณอย่าลืมทั้งสองส่วนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ชาวพูดเราจะเป็นเน้นแค่แง่ใดแง่หนึ่งคือพอเป็นเน้นเรื่องคือพอมหันมาสนใจเรื่องสมาธิภาวนาวก็จะเน้นแต่เรื่องการทำใจให้สงบเย็น พยายามที่มองให้เห็นถึงความจริงที่ลุ่มลึกในจิตใจหรือก็ในเรื่องไตรลักษณ์อยากจะให้ถึงนิพพานไวๆแต่ว่าละเลยหรือหลงลืมเรื่องการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมนี่บางคนบอกว่าต้องให้บําเพ็ญประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อน ถึงค่อยไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นพูดเป็นไหนว่าต้องให้บรรลุธรรมก่อนนะถึงจะไปช่วยคนได้มันไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะคนที่คิดแบบนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าตอนที่ฉันกำลังเรียนปริญญาเอกถ้าฉันยังเรียนไม่จบปริญญาเอกจะให้ฉันไปสอนใครฉันก็ไม่สอนจะให้ฉันไปสอนประถมะมัธยมหรือแม้แต่รูปาลฉันก็ไม่ยอม เพราะว่าประโยชน์ตนของท่านยังไม่ถึงพร้อมคนที่พูดแบบนี้ฟังดูมันก็หน้าหัวนะเพราะว่าถึงแม้จะยังเรียนไม่จบปริญญาเอกก็ยังมีความรู้มากพอที่จะสอนปริญญาโทสอนปริญญาตรีไม่ต้องพูดถึงปฐ ม, มมัธยมอ่ะนะนั่ถึงแม้ว่าเรายังเรียนไม่จบปริญญาเอกแต่ว่าเรายังก็สามารถที่จะไปช่วยสอนนะไปช่วยสอนคนที่เขามีความรู้ น้อยกว่าเราฉะนได้ก็ฉันนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องปฏิบัติทาให้บรรลุถึงนิพพานก่อนจากนั้นถึงจะไปช่วยคนเราจะยังไม่บรรลุทาขั้นสูงอะไรแต่ถ้าากว่าเข้าถึงทาสูงกว่าคนอื่นเราก็สามารถช่วยเขาได้จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ก็ทาได้ หนึ่ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าลืมไปช่วยคนอื่นด้วยแต่ถ้ามองให้ดีเนี่ยไอการที่เราไปช่วยผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนเหมือนกันอย่าไปแยกกันระหว่างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่าไปแยกว่าเนี่ยฉันต้องทําอย่างนี้มัน อย่างนี้เรือประโยชน์ตนต้องทำอย่างนั้นถึงเรื่องประโยชน์ท่านการที่เราทำงานเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมันก็เป็นการบาเพ็ญประโยชน์ตนได้เหมือนกันก็คือมันช่วยลดความเหแก่ตัวมันเป็นการฝึกสติเป็นการที่เราได้ฝึกที่จะเอาธรรมะที่เรา เรียนรู้มาเนี่ยเอาไปทดลองใช้ดูแค่าการลดความเห็นแก่ตัวนี่ก็มีอันที่ส่งมากเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเห็นแก่ตัวลงไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วเมื่อเรานึกถึงคนอื่นมากๆเนี่ยไอ้ความทุกข์มันจะน้อยลงคนเราพอคิดถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาหรือความทุกข์ในตัวเองมันจะเล็กลง แต่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างเด็กทุกวันนี้วัยรุ่นทุกวันนี้เพียงแค่เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายนี้ก็จะคุกหมกุ้มใจจะฆ่าตัวตายให้ได้ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นจะตายให้ได้ คนทุกวันนี้ที่ฆ่าตัวตายกันเนยอะเพราะว่าเขาคิดถึงแต่ตัวเองมากเกินไปเขาลืมนึกถึงคนอื่นมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยแกก็คงไม่ถึงร้อยปีนะเพราะว่าแกมีชื่อมาเพราะว่าได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเก อ, อิชาแล้วก็เป็นที่มาของหนังเรื่องเก อ, อิชา ที่ฮอลลีวูดไปทำเป็นภาพยนตร์ชื่อเลืออิวาสกิชีวิตก็เติบโตมาอย่างลำเค็ญมากเพราะว่าเป็นเด็กยากจนพ่อแม่ก็ตายตั้งแต่เล็กสมัยก่อนถ้าเป็นคนจนบางทีไม่มีข้าวกินก็ต้องขายเอาไปขายให้คนอื่นแล้วก็เอาไปขายให้สำนักคณิกาก็สำนักเกอิชา ไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาก็ต้องค้นคว้เอาเองก็ถูกเขาใช้ถูกเขากดขี่วิ่ก็ลำบากตอนหลังน้องชายที่ตัวเองรักก็ตายต่อมามีคู่มีแฟนแฟนก็ตายรู้สึกที่มันทุกข์มากเหลือเกินเขาก็เลยไม่อยากอยู่ละ ก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายตอนนั้นปเป็นช่วงหน้าหนาวพายุหิมะมาพอดีเขาก็เลยเดินเข้าไปในป่าเพื่อหวังว่าจะให้หิม ะ, ะกรบทับจนตายตายเพราะความหนาวแต่เพื่อนมีมีผู้ชายมีชายชลาคนหนึ่งมาช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้อ่ ชายชลาคนนี้พอได้ฟังเรื่องราวของอิวาสกิก็บอกว่าเขาผู้ประโยชนหนึ่งทึ่กระทบใจวาสกิมากเขาบอกว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองนั่นแหละที่อยากจะตายคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นแหละที่อยากจะตายคนที่คิดถึงคนอื่นเขาไม่อยากจะตายเพราะเขาชีวิตเขามีคุณค่าเขารู้สึกว่าเขาเจวปัญหาเขาไม่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตอะไรเท่าไหร่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยเจออะไรก็ มันกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นหมดนะชายชราคนนี้ก็าแนะนำอย่างไว้ดีนะบอกว่าจะขอแนะนาอย่างนึงคือว่าอยากจะให้เธอเนี่ยลองไปช่วยใครสักคนวันละคนแล้วถ้าเธอทำอย่างนี้แล้วยังอยากจะตายอีกฉันก็จะช่วยเธอให้ตายสมใจนะท้ายอย่างนี้เลยนะเธอก็ได้คิดนะอิวาสกิจก็เลยกลับไปเข้าไปในเมือง แล้วก็มีเงินกเ็เอาเงินเนี่ยซื้อหนังสือให้เด็กยากจนคนหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญคนญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษามากอย่างอิวสัส ก, กินี่เขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ เ, เรียนจนอ่านหนังสือออกเขาทิ้งหนังสือให้เด็กยากจนต่อมาเขาก็ไม่ได้ซื้ อ, อเดียกก็เล่านิทานให้เด็กฟังด้วย เล่าวาระเรื่องสองเรื่องให้กับเด็กคนสองคนแล้วทาไปทําไปหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยคิดจะเข้าไปในป่าเพื่อฆ่าตัวตายเลยก็ยังเป็นคณิกายังเป็นเกียชายอยู่แต่ว่าไม่มีความสึกอยากจะตายแล้วเพราะอะไรเพราะส ว, วัสดิตตัวเองมีคุณค่าเพราะว่าได้ทําประโยชน์ใหกับผู้อื่นมันพอได้ทํำประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการทําประโยชน์ตนไปในตัวทําให้ตัวมีความสุข ทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาอย่างที่เคยเล่าอาสาสมัครของมูลนธิธิชื่อจีมีคนแก่เยอะเลยไปนั่งฉีกระดาษฉีสมุกในโรงงานแยกขยะเอาขวดเอาจุกพลาสติกออกจากขวดออกจากขวดพลาสติกเนี่ยนะที่เรากินน้ำน้านั้น น้ำขวดเนี่ยเขาก็แกะออกเอาไปรีไซเคิลเพราะมีโรงงานแยกขยะถึงห0 0พันแห่งทั่วประเทศก็มีได้อาส า, าสมัครเป็นคนแก่คนแก่พวกนี้นี่ก็เป็นคนเคยมีฐามีฐ า, านะนะแต่ว่าเคยมีตำแหน่งการงานพอกเกษียณแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราคนท่าคนแก่ยังได้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานและลูกนี่ก็ชอบเอาหลานไม่ให้เราเลี้ยงเหลือเกินนะ ในชนตาบลนี้เป็นอย่างนี้ประจำนั้นคนแก่นี่ไม่ว่างงานแต่คนแก่ในไต้หวันนี่ว่างงานไม่รู้ทำอะไรพอได้มาเป็นอาสาสมัครเอาขยะมารีไซเคิลเพื่อที่เอาเงินไปทำสถานีโทรทัศน์คุณธรรมนะขยะที่มันทิ้งเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมาก็เพราะอาสาสมัครเหล่านี้ถ้า ม, มีอาสาสมัครนเขาบอกเนี้ยนะผมเนี่ ย, ยคือขยะคืนชีพ เข้าใจไหมคือก่อนที่เขายังไม่ทําเนี่ยเขาคือขยะขยะที่เหมือนกับตายซ่าแต่พอได้มาทํางานบำเพ็ญประโยชน์ทำให้ขยะมันกลับมามีคุณค่าเป็นกายเป็นเงินเพื่อช่วยส่งเสริมสถานีคุณธรรมสถานีสทรทัศน์คุณธรรมแล้วก็ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเขารู้สึกเลยว่าเขากลายเป็นขยะคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่นะ การทำประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านมันมันมันสอดคล้องกันบำเพ็ญประโยชน์ท่านก็ทำให้เกิดประโยชน์ตนขึ้นมาแล้วคนเราพอคิดถึงคนอื่นแล้วเนี่ยเรื่องตัวเองมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กความทุกข์ของเราเนี่ยถ้าเราคิดถึงแต่ตั ว, ตวเองเนี่ยบางทีปวดฟันปวดท้องก็จะเป็นจะตายให้ได้แต่พอคิดถึงคนอื่นที่เขาทุกข์กว่าเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเล็กไป อย่างเรื่องน้องโยเนี่ยน้องโยเป็นเด็กเจ็ดขวบป้าชวนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมพรากฏว่าโดนรถชนรถพังยับเยินป้านี่แขนหักแต่น้องโยนี่ขาเละไปข้างหนึ่งป้าร้องโอดร้องโอยตลอดทางที่ไปโรงพยาบาลแต่ว่าน้องโยไม่ร้องอะไรเลยจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัด ก็ไม่เห็นน้องโยร้องผ่าตัดเสร็จก็เลยถามน้องโย ว, ว่าทำไมไม่ร้องเลยน้องโยบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับนะน้องโยคิดถึงป้าเห็นป้าร้องโอดร้องโอยก็ไม่อยากซ้ำเติมให้ป้า ป, าปวดใจก็เลยพยายามอดกลัน้นไม่ร้องเพราะถ้าร้องแล้วป้าจะยิ่งใจเสียมากขึ้นนี่น้องโยคิดถึงป้าพอคิดถึงคนอื่นเท่า แลวความทุกข์มันก็เลยลดลงนะความทุกข์ของตัวเองก็กลายเป็นเรื่องเล็กเมื่อเนี่ยการที่เราถ้าคนเราอยากจะทุกข์ให้น้อยๆเนี่ยวิธีเนื้อคือว่าคิดถึงคนอื่นให้มากขึ้นคิดถึงตัวเองให้น้อยลงอ น, นักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าว่าคิดถึงแต่ตัวเองการปฏิบัติจะเต็มไปได้วยความทุกข์ เครียดหน่อยก็ทุกข์แล้วนะแล้วก็จะยิ่งเครียดมากขึ้นพอคิดแต่ตัวเองมีบางท่านนี่เครียดขนาดเลยวพอปฏิบัติแล้วเอาแต่อยากจะได้ความสงบอยากจะได้ตัวสติก็ไปพยายามไปจ้องไปเพ่งเคยเห็นบางท่านนี่พอปฏิบัติไม่ค่อยได้ผลท้อแท้ไม่ใช่ท้อแท้แค่การปฏิบัตินะท้อแท้ที่จะ มีชีวิตยอยู่ขนาดนั้นเลยก็บ่นเป็นทํานองว่าอุตส่าห์ทำบุญให้ทานนะเรื่องการทำทานนี่ไม่เคยขาดไม่เคยพร่องเรื่องการทำทานนี้ไม่มีใครน้อยคนที่จะทำเกินผมแต่ทำไมปฏิบัติมไม่ได้เลยเพราะจิตคิดจะเอาไงจิตคิดแต่จะเอาจะเอา เอาอะไรก็เอาความสงบเอาสติจะเอาเอาคุณพิเศษแล้ยิ่งก็ยิ่งไม่ได้เพราะยิ่งไม่ได้เพราะมันเตี่ยไปได้วยความโลภยิ่งอยากเอาก็ยิ่งเพ่งนะก็กลายเป็นว่าท้อแท้กับการปฏิบัติท้อแท้กับการมีชีวิตนะจนทั่งท้อแท้กับการ การทําความดีได้ซ้ําไปถึงขนาดนี้เลยอันนี้พ่อหมกมุ่นกับตัวเองมากนะบางทีเจอแค่เสียงดังก็เป็นทุกข์ละเสียงดังจริงว้ยใชเพราะว่าเป็นติดความสงบมากนอกปฏิบัติธรรมบางทีก็เลยกลายเป็นคนที่อ่อนแออ่อนแออ่อนแอกว่าคนทั่วไปคนทั่วไปเขาเจอเสียงดังเขาก็เฉย เขาทํางานลําบากตื่นตีสองนอนบางทีสี่ห้าทุ่มเขาก็ยังทําได้ชีวิตแม้จะลําบากเขาก็ยังไม่สุดเป็นทุกข์เท่ากับคนที่ปฏิบัติธรรมนะเพียงแค่ปฏิบัติธรรมไม่ไม่ไม่ก้าวหน้าหรือว่าเจอเสียงดังรบกวนความสงบก็จะเป็นจะตายให้ได้การปฏิบัติธรรมทอนเราเข้มแข็งไม่ใช่ทําให้เราอ่อนแอ ต, ต้องทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นกว่ า, ว า, วาเดิมที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งอ่อนแอนแที่อ่อนแอนก็เพราะว่าอยากจะได้อยากจะเอามากไปบางทีการลองไปทำอะไรเพื่อเพื่อเพื่อช่วยคนอื่นบ้างบางทีมันก็ช่วยนะทำให้รู้สึกว่าโอ้ให้เรานี่เป็นหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไป เพราะนั้นอย่ให้แยกระหว่างการบำเพ็ญประโยชน์ตนกับบำเพ็ญประโยชน์ท่านอันนี้ท่านอาจารู์พุทธายกน็นก็พูดเล้นอยู่เสมอเรื่องการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการทํางานในที่นี้ท่านหมายถึงการทํางานไม่ใช่แค่ทำมาหากินแต่เรื่องการทำงานเพื่อส่วนรวมเรื่องการรับผิดชอบกิจการของส่วนรวมอย่างเช่นส่วนโมลนี่ก็จะมีการทํางาน ในวันกรรมกรอยู่บางทีก็ถือไม่ใช่วันกรรมกรไม่ใช่วันโขนก็ทำกันนะคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมาทำไมที่สวนโมกมันมีงานเยอะเหลือเกินอุตสาบวชตรนึกว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมมันมีแต่ ง, งานนันนี่เขาไม่เข้าใจนะว่าการทำงานนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ใช่แค่เป็นการ ลดความพิงตัวแต่ยังเป็นโอกาสในการเจริญสติได้การเจริญสติบางทีก็ต้องต้องฝึกกับกับงานกับการยิ่งยากนะมันก็ยิ่งทำให้เห็นจิตเห็นใจตัวเองมากขึ้นเคยไปอยู่ที่วัดอมรวดีของหลวงพ่อสุเมทโธเมื่อ20ปีที่แล้ววันที่นั้นนี่ งานส่วนรวมเยอะมากนะตั้งแต่เช้าทําวัดเสร็จได้พักสักหน่อยก็ต้องทําความสะอาดศนะาลาบางคนก็ต้องไปเตรียมอาหารเช้าเขาเป็นเป็นข้าวต้มเป็นโจก๊กไม่ใช่โจ๊กเป็นข้าวโอ๊ตคนนึงก็ทําความสะอาดที่พักตั้งแต่เช้าเลยนะเสร็จแล้วก็ไปบินทบาทบินทบาตกับมาได้พักนิดหน่อยก็มีเวลาล้างชามชามอย่งเขนี่เป็นร้อยๆเลยนะ เป็นงานใหญ่มากใกล้จะเสร็จก็เกือบบ่ายบ่ายโมงทํางานต่อถึงสี่โมงเย็นนะทุกคนต้องทําไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องหางานทําให้ได้คนที่เป็นหัวหน้า ง, งานจะต้องคิดหางานน่าเห็นใจนะคือต้องหางานทําให้ได้เพราะฉะนั้ น, นยอย่างอย่างอย่างพื้นเนี่ยที่มีรูๆเนี่ยเขาต้องหาทางเขาต้องสา่ให้คนมาปะแล้วเอาคนมา อุดไม่ให้มันเป็นรูๆแบบนี้เสามีรูอ่ะต้องหาคนมาอุดหางานทําหมดแล้วนะคนที่โ น, โนเนี่ยพื้นเอ่ยเสาเอ่ยผนังเอ่ยไม่มีรูนะไม่มีรูตะปูเขาอุดหมดนะไอคนที่เคยอยู่วัดป่าเมืองไทยนี่ อ, อยู่ลำบากนะพระไทยไปอยู่วัดอมรบดีหลายรูปอยู่ไม่ได้เพราะว่างานเยอะเลิกเกินนะ มีกิจส่วนรวมเยอะมากแต่ที่จริงก็เป็นความตั้งใจด้วยไม่ใช่เพียงเพราะว่าที่นั่นเขาต้งน้นความสวยงามของสถานที่เท่านั้นแต่หลวงพ่อสุมเมโทท่านก็ต้องการเน้นให้คนได้ลองเจอกับแรงเสียดทานจากการทํางานแรงเสียดทานจากการทำงานมันทำให้เป็นเครื่องฝึกสติได้ดีเครื่องขย่อกิเลสกระตุ้นกิเลสให้ออกมาอย่างที่พูดไหมว่าเมื่อวันก่อนตอนที่วันที่เราพวกเราไป ไปทำว่ากับเจ้าคณะจังหวัดพูดถึงเรื่องว่าต้องเจอต้องเจอสิ่งกระทบมั่งต้องเจอทุกขุมั่งเนะพราะเจอทุกข์มันถึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้เราจะมาไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติทำที่ดีมันต้องเกิดจากการที่เข้าไปเจอแรงกระทบเจอแรงเสียดทานซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการทํางา น, นะ น, นเพราะคนเราถ้าเกิดว่าเราสงบ เพราะเราไม่ทำงานเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้คนเพราะไม่เจอแรงเสียดทานเนี่ยเราก็ไม่รู้ที่สงบนั้นเป็นเพราะสงบแบบมันสบายหรือเปล่าไม่ใช่สงบเพราะว่ามีสติรู้ทันใจที่กระเพื่มอมการปฏิบัติด้วยการออกไปเจอผู้ค น, เ, นเป็นการปฏิบัติที่ยากกว่ามีสามเมนรีชาวลาดักท่านหนึ่งนะเป็นเพื่อนของเพื่อน สามในลาดักเนี่ยที่จริงไม่ใช่สามในเรียงเดียวพระด้วยไม่ว่าในลาดักหรือว่าที่เบตเนี่ยรวมทั้งภูฐานด้วยเนี่ยเขาจะมีประเพณีก็คือการปฏิบัติธรรมแบบเข้มข้นอย่างน้อยสามปีสามวันสามปีสามเดือนสามวันไปที่ภูฐานไปเยี่ยมหมหาเทวีสงแห่งหนึ่งอยู่บนเขา น, นไม่เคยเจอมาาชัยทรยงที่ดูโบราณขนาดนั้นไม่มีถนนให้รถขึ้นต้องเดินเป็นชั่วโมงนะแต่ทัศนียภาพสวยงามมากที่นั่นเนี่ยเรียนกันเกปีเรียนสองขั้นขั้นแรกเรียนเก้าปีขั้นที่สองเรียนอีกเก้าปีสิบปดปี ของบ้านเรานี่เรียนมัธยม12ปีประถมมัธยม12ปีเรียนมหาชลเอก4ปีก็16แล้ว้็นี18ปีแล้วจบแล้วต้องไปเข้าถ้ำ3ปี3เดือน3วันันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่สามนเนลีลาดักท่านนี้เนี่ยไปอยู่ในถ้ำถึง12ปี สิสปีนะพวกเราที่เข้าปฏิบัติธรรมแค่สาวันจะเป็นจะตายให้ได้นี่นึก ด, กดูอยู่ในถ้ำเนี่ยสามปีของเข้าเป็นเรื่องธรรมดามากเราอยู่ในถ้ำนี่ไม่ใช่สบายนะไม่ใช่ว่ามีคนมาส่งข้าวส่งน้ําทุกวันนะอย่างสำเนลีเนี่ยมีคนมาส่งอาหารให้ปีละสองครั้งหกเดือนครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นอาหารที่เขากินนีมันอาหารแห้งลําบากนะหนาวก็หนาวนะเพราะว่าไม่มี อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งทั้งสิ้นอยู่ในถำ้ำอาหารก็ก็ค่อนข้างจ ะ, ะลำบากแต่เพราะว่าท่านอยู่ได้ถึงสิบสองปีอยู่แล้วนี่ไม่อยากออกนะไม่อยากออกมาเพราะทั้งสออยู่ข้างในอยู่ในถ้ำนี่มันสบายกว่าแล้วก็เลยวันนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่า เ, เราจะอยู่ในถ้ำต่อไปดีไหม สิบสองปีนี้ยังไม่บรรลุธรรมเลยขออยู่ต่อแล้วนะท่านก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อหรือจะออกมาดีก็ไปปรึกษาลละลรามะทา ล, ละมะก็อยู่ธรรมศ า, าลาทาละมะว่าเนี่ยถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมต้องออกมาเพราะอยู่ในถ้ำมันสบายไปนยะ่างท่านพูดอยู่ในถ้ำมันสบายไปแต่นักที่เรามันลําบากมากนะอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่มีไฟไม่มี อ า, อาหารที่สะดวกวท่านก็ตกลงตัดสินใจออกมาแล้วก็พบ ว, ว่าการออกมาข้างนอกมาปฏิบัติธรรมข้างนอกเนี่ยมาตั้งโรงเรียนสามสามณีสามเณีีให้ผู้หญิงมันท้าทายมากแต่ท่านก็พบ ว, ว่ามันได้ปฏิบัติธรรมจริงๆเป็นการปฏิบัติธรรมที่ยิ่งกว่าตอนอยู่ในธรรม อันนี้เห็นได้ว่าเรื่องการไปทำประโยชน์ตนเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ท่านถ้าทำประโยชน์ท่านมันก็เป็นประโยชน์ตนด้วยแต่ขณะเดียวกันก็อย่าไปนึกว่าการอยู่ผู้เดียวการปฏิบัติผู้เดียวมันไม่ใช่ประโยชน์ท่านมันก็เป็นเหมือนกันนะมันเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากไม่รู้จักันเป็นประโยชน์ตน การบรรพย์ประโยชน์ท่า น, นก็เลยกระพร่องกระแพร่งทําเพื่อส่วนรวมแต่ว่าไ ม, ไม่ไม่ได้ฝึกหัดขัดเกลารจิตใจตัวเองก็เลยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปมีเหมือนกันมีเยอะด้วยคนที่อ้างว่าทําเพื่อส่วนรวมแต่ว่าไประมาณกับทําเพื่อตัวเองเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเองอผู้ปกครองของประเทศคอมมิวนิสต์หลายคนก็เริ่มต้นมาจากการที่ต้องการทําเพื่อส่ว น, วนรวม เช่นสตาลินเลนินเหมาเซตุงเหมาเจอตุงไอพวกนี้เขาก็เป็นคนที่มีอุดมคติแต่ว่าพอทำไปทำไปก็คิดแต่ว่าจะมีอำนาจได้อย่างไรหาทางกวาดล้างคนที่เป็นคู่แข่งไม่ให้ตนเนี่ยได้ขึ้นครองมาเป็นใหญ่เพื่อนที่เคยเป็นเพื่อกวาดหมดนะ แลวพวกนี้ขึ้นมาเป็นอำนาจก็โดยการกวาดล้างเพื่อนมิตรสหายที่เคยร่วมต่อสู้กันมาและพอตัวเป็นใหญ่ก็ทําเพื่อตัวเองใครขัดขืนใครใครแย้งก็กำจัดฆ่าหมดบางทีฆ่าเกือบครึ่งประเทศอย่างพรนโพธนี่ฆ่าไปหรือทำให้คนตายไปเกือบสองล้านคนทั้งประเทศตอนนั้นมีหกล้านคนได้ตายไปสองล้านคนช่วงเขมนแดง แล้วผนี้เป็นคนดีนะหรือเคยเป็นคนดีมาก่อนแต่เนื่องจากไม่ได้ขัดเกลาพอเจอแรงเสียดทานเจอการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นก็เกิดความโกรธคิดอยากเจ้าชนะตีแรกก็อยากเจ้าชนะศัตรูตอนหลังก็ต้องการเอาชนะ<ส>เพื่อน<ส>เพื่อนมิตรสหายด้วยแล้วก็รักษาอำนาจตัวอให้ได้นานที่สุดโดวยวิธีการที่โหดเทียมอันนี้ เพราะว่าเขาคิดแต่บาเพ็ญประโยชน์ท่านโดยไม่สนใจที่จะบําเพ็ญประโยชน์ตนด้วยการฝึกหัดไก่เกา่าเสร็จแล้วในสูดก็กลายเป็นว่าสิ่งที่คิดว่าจะไปทําเพื่อส่วนรวมก็กลายเป็นการสร้างความหายนะให้กับประเทศชาตนะิคนที่กล่าวมาที่ทําให้ประเทศถอยหลังไปหลายหลายปีนะบางทีสิบปีอย่างพรตที่ทําให้ประเทศถอยหลังไปหลาย10ปีทีเดียว นล้เราก็คงเห็นได้นักการเมืองจำนวนมากที่คิดว่าอยากจะมาทําเพื่อเพียวส่วนรวมแต่จะทําเพื่อส่วนรวมได้ก็ต้องซื้อเสียงต้องคอร์รัปชันไม่เงินไม่มีเงินเอาไว้ซื้อเสียงไม่มีเงินสาหรับการที่จ ะ, ะรวบรวมกลุ่มคนให้มาชูหรือว่ายกคะแนนให้ตัวเองเป็นรัฐบาลก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้อง โดยหารู้ไม่ว่าที่ทําไปเพื่อส่วนรวมที่คิดว่าทําไปเพื่อส่วนรวมนั้นมันมันทำไปด้วยความเห็นแก่ตัวทําด้วยตัณหาทิฐิมานะแล้วก็เลยนําพาประเทศไปสู่ความวุ่นวายมีการคอรับช่นกันมากมายมีการกวาดล้างคู่แข่งคู่ต่อสู้ทางการเมืองอันนี้พวกนี้ก็หลายคนก็เริ่มต้นจากการทำอยากจะทําปอย่าให้กับส่วนรวมแต่สุดท้าย ก็กลายเป็นการทำเพื่อตัวเองหรือมิฉะนั้นก็อีกแบบนึงคือว่าหมดแรงมันเจอแต่แรงเสียดทานเจอเจอแต่ปัญหาเจอแต่อุปรสรรคถูกแต่ถูกตำหนิถูกวิจารณ์ถูกกันแกล้งทำดีไม่ได้ดีท้อแท้หมดแรงหมดไฟบางทีจิตสลายค่าตัวตายก็มีหรือไม่ก็เลิกไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้ว ทำเพื่อส่วนรวมมั น, มนทุกอย่างนี้นี่เพราะว่าไม่รู้จักสร้างประโยชน์ตนทํำยังไงถึงเราจะมีความสุขได้ในขณะที่ทํางานทํางานเพื่อส่วนรวมทํางานอะไรก็ตามก็มีความสุขอยู่ข้างในนะมันทําไปพร้อมๆกันได้นะไม่ใช่ว่างานนี้ประโยชน์ตนงานนั้นประโยชน์ท่านทําอย่างเดียวทําเรื่องเดียว ทำสิ่งเดียวแต่ว่าได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันได้มันเรียกว่า2 in 1นะคือประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ประโยชน์ตนคือมีสติลดความเห็นแก่ตัวเกิดเมตตากรุณามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเพียรมากขึ้นปล่อยวางเรื่องโลกธรรมมากขึ้นนะ อันนี้การไปทำประโยชน์ตนทำได้ถึงแม้จะเจอะอุปสรรคมันก็กลายเป็นการฝึกได้อย่างเนวสันเบนเดลลานี่ทำงานเพื่อส่วนรมจนติดคุกแต่พรากว่าพอติดคุกแล้วกลับเป็นดีไปเขาบอกว่าตอนอยู่ในตอนก่อนเข้าคุกนี่เป็นคนหุนหันพนลัน่นใจร้อนมุทะลุพอติดคุกไปยี่ส็ปีออกมานี่เป็นคนสุขขุม เมตตารู้จักคิดรู้จักใคร่ครวญเอาชนะผู้อื่นด้วยความดีไม่ใช่เอาคิดแต่จะใช้กาลังก็บอกว่าการที่อยู่ในคุกยี่สปีนี่มันทำให้เขาสามารถทาสิ่งที่สำเร็จได้ยากชีวิตเขาจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้ติดคุกเพราะว่าตอนอยู่ในคุกมันทำให้เขาสามารถทาสิ่งที่ยากได้นั่นคือการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงตัวเองมันก็ทำได้นะจากการที่เจอความทุกข์จากการที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นดหน้เราต้องฉลาดในการที่จะทำให้การทำงานเป็นทั้งวิธีทางสร้างความสงบเย็นในใจแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไปด้วยในตัว ให้ทำสองอย่างไปพร้อมๆกันนะเอาละก็คูดกันเท่านี้อกบพระ